วันนี้เป็นวันพระรหัสสัปดีที่25มกราคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวรรควันฝังธรรมเพื่อนำมาไปสู่การปฏิบัติธรรมตามลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมนี้ เป็นการปฏิบัติจิตภาวนาคือทำใจให้สงบให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงการทำจิตใจให้สงบนี้จะทำให้สาเร็จได้จะต้องรู้จักวิธีกำจัดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ในเวลาที่ปฏิบัติหรือก่อนที่จะปฏิบัติอุปสรรคที่จะขวางไม่ให้การปฏิบัติได้เกิดผลขึ้นมามีอยู่5ประการด้วยกันเรียกว่านิวรห น, นิวรก็คืออุปสรรคที่จะขวางกัน้นการบำเพ็ญจิตตภาวนาให้ไปสู่ผลคือสู่ความสงบ ผู้ปฏิบัติเมื่อเกิดนิวรณ์ขึ้นมาจำเป็นจะต้องรู้วิธีแก้นิวรณ์เหล่านี้เพราะถ้าแก้ไม่ได้ก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปสู่ความสงบได้จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาที่จะต้องศึกษาเรื่องนิวรณ์ห้านี้ว่ามีอะไรบ้าง และเมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้อย่างไรนิวรณ5ห้านี้ข้อที่หนึ่งก็คือความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงหรือไม่นิวรณข้อที่สองคือการมฉันทะคือความยินดีกับการหาความสุขทางกามคุณห้า คือทางตาหูจมูกนิ้นกายนิวรข้อที่สก็คือโทสะความโกรธที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือขณะที่บําเพ็ญจิตตะภาวนาก็ได้ข้อที่สี่คือความง่วงเหงาเหานอนนักปฏิบัติมากจะเจอปัญหาเวลานั่งสมาธิทีไร มังจะนั่งหลับกันอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่านี่คือสาเหตุที่จะทำให้ไม่เกิดผลขึ้นมาและมีวิธีแก้ว่าจะแก้อย่างไรข้อที่ห้าก็คือความพุ่งซ่านนั่งสมาธิแล้วจิตไม่ยอมสงบไม่ยอมหยุดคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปเรื่อยเื่อยจะแก้อย่างไร อันนี้คือนิวรห้าอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำจิตใจให้สงบที่ผู้ปฏิบัติควรจะรู้จักและเมื่อเกิดเกิดขึ้นมาควรจะรู้จักวิธีแก้ไขดับนิวรเหล่านี้ไปให้ได้ข้อที่หนึ่งคือความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า วิธีแก้วความนองเลสงสัยก็คือเราต้องศึกษาให้มากขึ้นศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคือศึกษาจากพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงไว้หรือศึกษาจากพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าคือพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบ ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผ่านปัญหาเหล่านี้มาแล้วและรู้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ว่าแก้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนมากศึกษาเพียงนิดหน่อยเรายังอาจจะไม่เข้าเข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติกันเราจะไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไหนก่อนอย่างไหนทีหลัง mm hmm. เมื่อเราไม่รู้เราก็จะสงสัยว่าจะปฏิบัติแล้วจะเกิดผลขึ้นมาได้อย่างไงลองปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเพราะอาจจะปฏิบัติไม่ถูก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาอย่างท่องแท้ถึงวิธีการทําใจให้สงบว่าจะต้องทําอย่างไร mm. แล้วทําไปแล้วจะได้ผลอย่างไร mm. สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาจากผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติและได้ได้สําเร็จผลมาแล้วถ้าไปศึกษาหรือไปได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ไม่ได้ ปฏิบัติก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยไม่มั่นใจว่าการปฏิบัติของเรานี้ถูกต้องหรือไม่จะนำไปสู่การได้รับผลคือความสงบหรือไม่ดังนั้นต้องพยายามศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนจากพระพุทธเจ้าก็ดี เนื่องจากพระอริยสงสาวุกะดีซึ่งก็มีบันทึกไว้ในหนังสือต่างๆในพระไตรปิฎกก็มีบันทึกวิธีการปฏิบัติธรรมที่พูะเจ้าได้ทร ง, สสงสแสดงไว้สอนไว้เช่นในสติปฐานสูตรนี่เป็นพระสูตรที่พู้เจ้าทรงสแสดงทรงสอนวิธีเจริญสติเพื่อให้จิตใจมี มีความสงบมีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆเพื่อที่ให้จิตใจเวลานั่งสมาธิจิตใจจะได้รวมเข้าสู่สมาธิได้<ม>สอนวิธีจเจริญสติว่าต้องจเจริญอย่างไร<ม>จเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ<ม><ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาหรือก็อาจจะศึกษาจากหนังสือของ ครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วแต่เป็นที่ยืนยันกันว่าท่านก็เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเช่หนหลวงปู่หลวงตาต่างๆในสายปฏิบัติเช่หนหลวงปู่มัน่หนหลวงปู่ชาหลวงตามหาบวญหนวงสือของท่านเหล่านี้จะสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเกิดความเข้าออเข้าใจเราจะรู้ว่า จะทำอย่างไรถึงจะทําให้ใจสงบได้ถ้าเราได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆได้ฟังเทศฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้ากด็ดีของพระอริยสง์สาวกกด็ดีเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นดังในอริยสงของการฟังเทศฟังธรรมมีห้าอริยสงด้วยกันหนึ่งในห้าอริยสงก็คือ จะกำจัดความลังเลสงสัยในธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาก่อนธรรมที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกได้ศึกษาซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง แล้วจะทําให้จิตใจเราสงบเย็นสบาย mm hmm. นี่คืออนิสง์หรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสง์สารกทั้งหลายก็ดี mm hmm. เราจึงควรที่จะพยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังไม่มั่นใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ปฏิบัติแล้วจะได้ผลตามที่ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วเราจะได้เรียนรู้ ถึงเหตุถึงผลและถึงความเป็นจริงต่างๆของของเรื่องราวเหล่านี้เมื่อเราได้เรียนรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นความลังเลสงสัยก็จะน้อยลงไปแล้วก็หมดไปได้ในที่สุดเมื่อเรามีความเชื่อมัน่นในพระธรรมคาสอนคสอนของพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้วเราก็จะมีความศรัทธามีความเชื่อเต็มร้อยมีความ ฉันทะวิริยะคือมีความยินดีมีความภาคพียิที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ไม่ไม่ลังในสงสยัยว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วผลที่พระเจ้าทรงได้รับเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลนั้นอย่างแน่นอน<ม>อ น, นี่คือการแก้นิวรุปสัตตของผู้ปฏิบัติข้อที่หนึ่งถ้าเรา มีความลังเลสงสยัยไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดใครจะไปเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดและใครจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเห็นว่าร่างกายของเรานี้มันตายไปแล้วมันก็กลายเป็นขี้เถ้าไปถ้าเราไปเผามันก็กลายเป็นขี้เถ้าถ้า เอาไปฝังในดินมันก็กลายเป็นดินไปแล้วใครจะเป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ไปสวรรค์ไปอบายหรือไปนิพพานอันนี้เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าเรานี้มีสองส่วนด้วยกันส่วนที่เราเห็นก็คือร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของที่จะต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็จะต้องตายไปเช่นเดียวกันร่างกายนี้ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปนิพพานแต่ผู้ที่ใช้ร่างกายนี้คือใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่จะไปสวรรค์ไปนรกหรือไปนิพพาน แต่ใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้แต่เราสามารถสัมผัส ร, รับรู้ได้ว่าใจนี้เป็นผู้ที่คิดผู้ที่รู้เวลาที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรใจนี้แหละจะรู้เพราะใจเป็นผู้สั่ง เช่นสั่งให้ร่างกายไปทําบาปใจก็รู้เวลาร่างกายได้ทําบาปแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเวลาสั่งให้ร่างกายไปทําบุญเวลาร่างกายได้ทําบุญแล้วใจผู้รู้ผู้สั่งก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาทันที ผู้นี้แหะไม่ใช่ร่างกายซึ่งถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้อาจจะไปคิดว่าผู้รู้ผู้คิดคือใจนี้คือสมองอยู่ในร่างกาย <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะตายไปด้วย <c oughs> แต่สําหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจิตตภาวนามา อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านจะรู้ว่าผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์กับโลกที่ร่างกายอยู่นี้เป็นคนละโลกกันแต่มีการติดต่อระหว่างร่างกายกับผู้รู้ผู้คิดนี้ด้วยกระแสของของการ รับรู้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในผู้รู้ผู้คิดพวกเราทุกคนนี่มีมีกระแสที่เราส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกยิ้นกายเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเวลาที่เขาติดต่อกันสื่อสารกันนี้ต้องมีกระแสรกระแสสัญญาณของโทรศัพท์มือถือ ที่จะทำให้โทรศัพท์สองเครื่องนี้สามารถพูดคุยกันได้เครื่องหนึ่งอาจจะอยู่ที่กรุงเทพนะเครื่องหนึ่งอาจจะอยู่ที่ตรงนี้แต่การที่ผู้ที่อยู่ที่กรุงเทพสามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ที่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี้มีสัญญาณที่จะเชื่อมต่อระหว่างสองเครื่องนะี้ พอมีการเชื่อมต่อแล้วก็มีการสามารถที่จะสื่อสารกันได้ฉันไดใจที่เป็นกายทิพย์ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนี้ที่อยู่ในโลกทิพย์นี้สามารถสื่อสารสั่งการกับร่างกายได้ก็ผ่านกระแสของวิญญาณของของใจนี่เองใจสามารถส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ของของร่างกายเราก็สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปไปรับมาไปสัมผัสมาร่างกายเพียงแต่เป็นผู้ทาหน้าที่ส่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์รับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจากตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีวิญญาณกระแสวิญญาณ ้ามารับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเข้าไปสู่ใจทีนึงแล้วเมื่อใจได้รับรูปเสียงกลิ่นลดแล้วใจก็จะแปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นลดว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปที่ดีหรือรูปที่ไม่ดีหรือรูปที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วพอรู้ว่าเป็นรูปที่ดีก็เกิดความรู้สึกเคสุ ข, ขเวทนาขึ้นมา ถ้าเกิดรู้ว่าเป็นรูปที่ไม่ดีรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาในใจเพราะเกิดความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็เกิดความอยากขึ้นมาสังขารก็จะเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายไปปฏิบัติกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะที่ได้ไปสัมผัสรับรูบร้มาถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะที่ดีก็ให้ไปเอามา ไวเอามาครอบคลองเป็นสมบัติถ้าไปถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพลาที่ไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยก็ให้ให้โยนทิ้งไปให้หรือให้หนีจากสิ่งนั้นไปเรานี่คือความผูกความสัมพันธ์ระหว่างกายทิพย์กับกายหยาบคือร่างกายใจคือกายทิพย์เป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย ใจจึงไม่มีวันตายเพราะมันไม่มีอะไรมันเหมือนความว่างเราไม่สามารถทำลายความว่างได้ความว่างจะต่อให้อาระเบิดนิวเคลียร์ไปทิ้งที่ความว่างความว่างมันก็ยังอยู่ต่อไปฉันใดเวลาที่ร่างกายตายไป <c oughs> ใจนี้ก็ยังอยู่ต่อไปเพียงแต่การสื่อสารระหว่างร่างกายกับใจก็จะยุติลง สัญญาณสัญญาณที่เชื่อมต่อใจกับร่างกายก็จะตัดขาดออกจากกันร่างกายก็หยุดทำงานไปแล้วก็แยกตัวแยกธาตุของมันออกไปแยกส่วนที่มาสร้างร่างกายร่างกายมีส่วนประกอบอยู่สี่ส่วนคือธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้งสี่ก็จะแยกตัวออกจากกัน พอร่างกายตายไปธาตุแรกที่ไปก็คือธาตุลมเอาลมก็ออกจากร่างกายไปไม่ไม่เข้ามาในร่างกายไม่มีลมหายใจเข้ามีแต่ลมมีแต่ลมที่อยู่ในร่างกายค่อยๆระเหย อ, ออกมาตามไปด้วยธาตุไฟร่างกายก็จะเย็นลงแล้วก็ตามมาด้วยธาตุน้ําที่ออกมาตามทวาวรต่างๆจนกระทั่ ง, ง, งร่างกายแห้งก่อกไปเหลือแต่ธาตุดิน ที่เป็นส่วนแข็งนี่ก็เรียกว่าธาตุดินปล่อยทิ้งไว้มันก็จะผุพังกลายเป็นดินไปตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องของผู้กระทำบุญทำบาปหรือผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อไปมรรคผลในป่านี้ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ไปได้รับผลนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้ทำหน้าที่รับใช้คาสั่ง ของผู้ปฏิบัติคือใจนั่นเองใจสั่งให้ร่างกายมาทาบุญใจก็จะได้รับความสุขจากการทาบุญสั่งให้ร่างกายมาฟังเทศฟังธรรมใจก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ได้แสดงไว้เบื้องต้นจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าได้ยินได้ฟังธรรมที่เคยได้ยินมาก่อนแล้วพอได้ฟังซ้าอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้หายสงสัยในเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดการยุติการเวียนว่ายตายเกิดการไปสู่พระนิพพานว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร <S <S 2> <S 2> ผู้ที่จะไปคือใครจะเริ่มเข้าใจภาพจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ได้ไปแน่นอน ร่างกายนี้ตายไปก็ไปที่สุสานไปวัดไปที่เมนไม่แล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปใ่ผู้ที่สั่งการผู้ที่ทาบุญทาบาปจริงๆนี้ก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนั่นเองใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญแล้วใจก็รู้เวลาที่ร่างกายทำบุญเสร็จแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมา ถ้าถ้าสั่งให้ร่างกายทำทำบุญตอนที่หลังจากที่หลังจากที่ใจกับร่างกายแยกออกจากกันแล้วใจก็จะไม่รู้ว่าร่างกายได้ทำบุญหรือเปล่าเช่นคนที่เบิจากร่างกายให้กับโรงพยาบาลเอาไว้ศึกษานี่เวลาที่เกิดเวลาร่างกายตายไปใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกัน ใจก็จะไปกลับไปสู่อยู่ในโลกทิพ <Yeah. S 1> แตก่ก็จะไม่รู้ว่าร่างกายนี้เขาเอาไปทำอะไรหรือไม่ตามที่ได้สั่งการไว้หรือเปล่าตอนที่ยังไม่ตายเช่นสั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วให้เอาร่างกายนี้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแต่ใจไม่รู้แล้วตอนที่ตายดังนั้นผลบุญที่เกิดจากการบริจาคร่างกายจึงไม่เกิดขึ้นที่ใจ เพราะใจไม่ไม่รับรู้ไม่รู้ว่าได้ได้ทำตามที่สั่งหรือไม่แต่ถ้าเราบริจาคอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปในขณะที่ใจยังยังรับรู้อยู่ยังอยู่กับร่างกายเช่นบริจาคเลือดให้ให้โรงพยาบาลเวลาเราไปเจาะเลือดนี่ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปโรงพยาบาลสั่งให้พยาบาลเอามาเอาเข็มมาเจาะเลือดออกจากร่างกายนี้ไป ใจเป็นผู้สั่งแล้วใจก็เป็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นว่าได้ทำจริงๆได้เกิดขึ้นจริงๆได้บริจาคโลหิตได้บริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลไปใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะเกิดจากการทำความดีการทำบุญนี้คือการทำความดีการทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นบริจาคเลือดเราก็อาจจะเอาเลือดเรานี้ไปช่วยรักษาคนที่อาจจะตายไปก็ได้ถ้าขาดเลือด เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วใจก็มีความสุขขึ้นมานี่แหละใจนี่แหละเป็นผู้สั่งการเป็นผู้ทําบุญทําบาปแล้วใจก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาป <c oughs> ที่เกิดขึ้นทันที <c oughs> เวลาทําบุญปับ๊บพอถวายของเสร็จพอเบิจากเลือดเสร็จใจก็เกิดความรู้สึกสบายใจสุขใจพอใจขึ้นมาอันนั้นแหละคืออา น, นิสงส์ของของการทําบุญ แล้วอันนี้สองอันนี้มันก็ไม่ได้จางหายไปทันทีมันก็จะสะสมไว้ในใจไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เราจะใช้ประโยชน์จากบุญที่เราทำได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอร่างกายตายไปแล้วบุญที่เราสะสมไว้นี้มันก็จะมาสร้างความสุขให้กับใจซึ่งก ใจที่มีความสุขก็จะไปสู่สุขคตินั่นเองไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่แหละคือผู้ไปรับผลบุญผลบาต ท, ที่รับผลนั้นอยู่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้ไม่ใช่เป็นที่รับผลบุญหรือผลบาปตายไปนรกก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้สวรรค์ก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้นรกและสวรรค์หรือนิพานนี้ มันอยู่ในโลกทิพย์โลกที่ใจอยู่ไม่ใช่โลกที่ร่างกายอยู่โลกที่ร่างกายนี้ไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่มีนรกไม่มี <c oughs> ไม่มีนิพพาน <c oughs> ร่างกายตายไปร่างกายก็แยกสลายกับคืงสู่ธาตุดิงกับเคืงสู่ธาตุสี่ธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปผู้ <c oughs> ที่ไปรับผลบุญผลบาป ผู้ที่ไปเวียนว่าวตายเกิดต่อไปหรือผู้ที่ยุติการเวียนไหวตายเกิดนี้ก็คือก็คือใจผู้รู้ผู้คิดที่อยู่ในโลกทิพย์ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจะสัมผัสรับรูบร้จากใจได้ก็เกิดจากการปฏิบัติจิจตภาวนานี่คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบนี้เราดึงใจให้กลับเข้ามาหาตัวเอง ตอนที่ใจไม่สงบนี้ใจออกไปอยู่ที่ร่างกายออกไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายยืง<ม>ไม่เห็นตัวเอง<ม>เห็นแต่รูปเสียงกิจรสผดทาพะทที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้วมือก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็คิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเพราะร่างกายเป็นผู้ที่ไปรับรูปเสียงกิตรสผดาพะทิศมามมแต่เวลาเรานั่งสมาธิเราใช้สติดึงใจ ดึงด um, enjoy ึงกระแสวิญญาณให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้กลับเข้ามาอยู่ในใจพอเราดึงกระแสวิญญาณกลับเข้ามาอยู่ในใจเราก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะตอนนั้นจิตเวลาจิตสงบรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะก็จะหายไปจากความรู้สึกของใจความรับรู้ของใจใจก็จะเหลือแต่ตัวตัวรู้ตัวเดียว ก็จะก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่แหละคือตัวใจซึ่งไม่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวร่างกายตัวร่างกายนี้ใจได้ปล่อยวางชั่วคราวได้ถอนกระแสของวิญญาณการรับรู้ที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้งกายกาถ้าเริ่มปฏิบัติจิตภาวนาแล้วเริ่มทำใจให้สงบได้จะเริ่มเข้าใจหลักของ ของง่างกายกับของใจว่าเป็นคนละคนกันแต่มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมาเกิดในในโลกนี้ใจต้องมีร่างกายถึงจะมาเกิดได้ร่างกายก็ต้องมีใจเป็นผู้สั่งการร่างกายถึงสามารถไปทำอะไรต่างๆได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังทมเหล่านี้แล้วเราก็จะเริ่มหายสงสัยว่า บุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่แล้วนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่และการยุติการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ทังเทศทังธรรมนะพระพุทธเจ้าพระอริยสง์สาวกก็จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าเหล่านี้เป็นคนสองคนมารวมกันมาทํากิจกรรมร่วมกัน มาทำภารกิจร่วมกันในโลกนี้ชั่วคราวจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปพอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะแยกออกจากร่างกายแล้วใจก็จะถูกบุญหรือบาปที่ได้สําไว้ในขณะที่ทาภารกิจร่วมกับร่างกายถ้าเป็นบุญก็จะเป็นของเย็นเป็นความสุขถ้าเป็นบาปก็จะเป็นของร้อนเป็นความทุกข์พอร่างกายตายไปใจที่อยู่โลกทิพก็จะ ไปอยู่ส่วนส่วนทุกข์หรือส่วนสุขส่วนสุขเราเรียกว่สุขกติคือสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าถ้าบาปมากทําบาปมากก็ว่าทำบุญใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์ใจก็จะไปอยู่ในสี่ของอบาย<ม>ในทุกในสี่ของทุกขกติคืออบายทั้งศี<ม>ได้แก่เ<ม>ดรัจฉ<ม>านเปรตอสุรกายและ น, นรก<ม>อันนี้แหละคือใจ ใยเป็นผู้สั่งการผ่านทางร่างกายแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของการกระทำของตนทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังทมบ่อยๆเราก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วเราก็จะเริ่มเห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาตามที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าใครที่จะไปรับ ผลบุญผลบาปใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนิพพาน mm hmm. ก็ผู้ที่สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆขึ้นอยู่อยู่ว่าสั่งให้ไปทำอะไรสั่งให้ไปทำบุญใจก็จะไปสวรรค์สั่งให้ไปทำบาปใจก็จะไปอบายไปนรกสั่งให้ไปปฏิบัติธรรมไปชำระจิตใจกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไป ใจก็จะไปนิพพาน <Yeah. S 2> นี่คือวิธีกำจัดความลังเลสงสัยในเรื่องของครมะคํคำสั่งคาสอนว่าบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมทำไมเราต้องทำบุญทำไมเราต้องละบาปทำไมเราต้องํำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <Yeah. S 2> เพราะว่าเราต้องการความสุขใจนี่เอง ใจจะสุขได้ก็ต้องหนึ่งต้องกาจัดความทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือการทำบาปทั้งหลายแล้วก็สร้างความเหตุที่ทำให้ใจมีความสุขเหตุที่ทำให้ใจมีความสุขก็สองระดับระดับสวรรค์ระดับสุขติก็คือการทำบุญทำทานต่างๆระดับมรรคผลนิพพานก็คือการชำระใจด้วยการปฏิบัติจิตตะภาวนานั่นเอง แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราทำไมตึองต้องมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันเพื่อทำให้ใจสงบกัน <c oughs> ก็เพื่อว่าเราจะได้ชำระกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจตัวที่มาดึงให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ <c oughs> ก็คือตัวกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่ <c oughs> ที่เราต้องชำระและเครื่องชำระใจให้สะอาดโดยสุดได้ก็คือการบาเพ็ญจิตตภาวนา คือการทำใจให้สงบในขั้นที่หนึ่งแล้วตามด้วยขั้นที่สองก็คือสอนใจให้รู้ว่าตัวที่มาทำลายความสงบตัวที่มาทำลายสร้างความวุ่นวายให้กับใจตัวที่พาให้ใจไปเวี ย, วยนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสปัญหาก็ต้องคอยสกัดคอยหยุดมันเวลาเกิดกิเลสเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ต้องหยุดมันอย่าไปทำตามมันเท่านั้นเองถ้าเราหยุดมันได้ใจก็จะ ชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดใจก็อยู่ที่ที่ไม่เกิดที่เรียกว่านิพพานนี้เองอ น, นี่คือวิธีแก้วความรังเลยสงสัยในพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาต้องฟังจากผู้รู้จริง อย่าไปได้ยินได้ฟังจากเพื่อนคนนั้นเพื่อน<ๆ>คนนี้ซึ่งเป็นคนเหมือนคนตาบอด <c oughs> เคยได้ยินนิทานคนตาบอด5้าคนไปทำําตัวช้างไหแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าตัวช้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วคนตาบอดคนหนึ่งไปจับหางหางช้างก็บอกช้างนี่มันเป็นเชือกเป็นเหมือนเชือกอีกตัวหนึ่งไปจับที่งวงมันก็บอกว่ามันเหมือนงูอีกตัวไปจับที่ที่งา ช้างก็บอกมันเป็นเหมือนหอกมันแหลมคนหนึ่งก็ไปจับที่หางก็บอกเป็นเหมือนไปจับที่หูก็บอกเป็นเหมือนใบพัดเป็นเหมือนพัดอีกคนก็ไปจับที่ท้องช้างก็บอกมันเป็นเหมือนกำแพงมันก็ถูกทั้งห้าคนนะแต่ไม่ถูกหมดถูกคนลนิดคนลหน่อยแล้วก็มาเถียงกันว่าช้างเป็นเหมือนเป็นเหมือนหอกช้างเป็นเหมือนงูช้างเป็นเหมือนเชือก มัน ม, มองไม่เห็นภาพรวมนี่คือลักษณะของคนที่ไม่รู้จริงในเวลาเราไปศึกษากับคนที่ไม่รู้จริงบางทีเขาก็บอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิให้เสียเวลาหรอกไปทางปัญญาเลยไปวิปัสสนาเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่าการที่จะชำระใจให้สะอา บ, บริสุทธิ์ได้เบื้องต้นต้องทาใจให้สงบก่อนต้องได้สมาธิก่อนแล้วถึงจะมีกาลังที่จะไป ชำะกิเลสตัณหาที่มีในใจให้หมดไปจากใจได้ด้วยปัญญาอันนี้เราต้องพยายามศึกษาจากแหล่งผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเราจะได้ไม่หลงทางถ้าไปเรียนกับคนที่ไม่รู้เป็นคนที่เป็นแบบคนตาบอดคำช้างเขาก็ไม่โกหกเขาก็พูดถูกของเขาพระพุทจ้าก็สอนแต่เขาไม่เขาไม่สอนให้มันครบทุกอย่างสอนเพียงอย่าให ให้ทําเชือกอย่างเดียวถ้าอยากได้ช้างได้อยากตัวช้างก็มัดเอาเชือกมามัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ตัวช้างขึ้นมามันไม่ได้หรอกหรือถ้าอยากอยากได้ตัวช้างก็ไปทําพัดขึ้นมาแล้วก็จะได้ช้างมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันต้องทําทั้งหมด <Yeah. S 1> ให้ครบถ้วนบริบูรณ์มัดมีองแปดมีทั้งสามมาสติสามมาสามาธิสามาธิสิก็คือปัญญาครูเจ้าไม่สอนมัด เพียงองค์เดียวก็คือสมาสมาทิฏฐิทำสอนให้มีสติก็จะได้มีสมาธิอันนี้คือการการเรียนรู้เพื่อจะได้กําจัดความลังเลสงสัยต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเท่านั้นถ้าไปเรียนกับผู้ที่ยังไม่บรลลูนี้มีโอกาสที่จะถูกเขาพาหลงทางได้อันนี้คือ ข้อที่หนึ่งในการกําจัดนิวรณ์ตัวที่มาขัดขวางการปฏิบัติของเราถ้าเราลังเลสงสัยเราก็ไม่กล้าปฏิบัติใจก็แบบกล้ากล้ากลัวๆทาไปแล้วกลัวจะไม่ไม่ได้ผล mm hmm. ก็จะเสียเวลา mm hmm. ก็เลยอาจจะไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้าออกบวชไม่กล้าปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างจั ง, จงก็เลยไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่แต mm ่ hmm. ถ้าเราเชื่อมัน่นในคําสอนว่า สิ่ที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํานี่ยทำไปเถิดแล้วจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนทำบุญทาทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปรับประกันได้ว่าร้อยทั้งร้อยจะได้ประโยชน์จากการกระทําทั้งสามอย่างนี้ทำบุญทาทานก็จะได้สวรรค์รักษาศีลก็จะได้ปิดประตูบายแล้วก็จะได้ส่งจิตให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมโลก เพือทำใจให้สงบให้มีสมาธิให้มีอุเบกขาแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อให้ส่งใจขึ้นไปสู่ระดับมรรคผลนิพพานต่อไประดับพระอริยบุคคล น, นี่คือข้อแรกพระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาธรรมะคำสอนจึงบัญญัติวันพระนี้ขึ้นมาวัพานพระนี้ทา่านภาษาพระก็เรียกว่าวันธรรมะสวนะ ธรรมะสาวนาแปลว่าการฟังธรรมการศึกษาก็ทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี้เป็นโรงเรียนไม่ใช่บัญที่มาทำําทำทําพิธีกรรมอะไรต่างๆความจริงเนาะพระพุทธศาสนานี้เนื้อแท้ของศาสนาพุทธนี้อยู่ที่การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะได้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยสุด เพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆยุติการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเป็นโรงเรียนที่ผู้ที่ผู้ที่มาสมัครเรียนผู้ที่มาสมัครตนเองว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ต้องมาศึกษามาเร่่มเรียนยหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนมีอยู่สองหน้าที่ด้ยวยกันคือธุระคันธะธุระและวิปัสสนาธุระคันธะธุระก็คือศึกษาลร่่มเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนวิธีปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อจะได้พบกับความสุข<ม>เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง<ม>เป้าหมายของศาสนามีอยู่ตรงนี้ส่งเสริมหรือพัฒนาจิตใจให้ได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงและให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไป<ม>าการจะหลุดพ้นได้าการที่จะได้พบกับความสุขของพระนิพพานได้ จมเป็นจะต้องปฏิบัติก็ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานกันเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันก็ต้องศึกษารับศึกษาแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าเราต้องทำบุญทำทานกันเราต้องรักษาศีลห้าศีลแปดกันเราต้องไปภาวนากันไปเปกวิเวกไปหาที่สงบสงัดทาจิตใจให้สงบเพราะถ้าที่มัน ไม่สงบนี้การจะทำจิตใจให้สงบนี้ยากอันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปพูดอุปสรรคข้อที่สองก็คือการมฉันทะความยินดีหรือความชอบเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนอย่างพวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เราชอบเศษกามกันชอบเศษการมาคุณห้ากามไปว่ากามคุณห้าชอบเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลพระ ชอบดูของสวยๆงามงามชอบได้ยินเสียงที่ไพเราะเพราะเพงชอบดมกลิ่นหอมๆชอบริมรถรถชาติที่อริดอร่อยชอบสัมผัสกับสัมผัสที่มากระทบที่ร่างกายที่นุ่มที่สบายที่ให้ความสุขเราอยู่กันทุกวันนี้เราก็อยู่เพราะความการเสพการนี่เอง เวลาใดที่เราไม่ได้เสกกามแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกว้าเหวไอตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่เป็นอุปสรรคเพราะว่าถ้าการจะมาทาใจให้สงบนั่งสมาธิด้านนี้เราต้องหยุดการเสกกามกาัน <c oughs> เพราะถ้าเราเสกกามเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบได้เพราะการจะทาใจให้สงบนิ้ม ไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะเวลานั่งเพียงอย่างเดียวเพราะาการนั่งนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำก่อนมานั่งก็คือการเจริญสติเราต้องพยายามควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะให้ได้เพราะเวลาที่เราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันอยากอยากจะไปเสกกันจึงต้องพยายามหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้เรียกว่าเป็นการเจริญสติ การหยุดความคิดนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติใช้สติหยุดความคิด mm. วิธีที่จะหยุดความคิดก็ต้อง mm. มีสติปลกใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบาลีคำพุทโธพุทโธไป mm. ถึงจะสามารถหยุดการมตชันทะได้ mm. หรือก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นได้เราอาจจะต้องอาศัยการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย mm. เราต้องถือศีลแปดกัน ถ้าเราอยากจะกําจัดกางมะชันทะเพราะศินแปจะห้ามไม่ให้เราไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรดนั่นเองเช่นสินท่อสามก็ห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนนศินท่อหกก็ไม่ให้เรากินมากเกินไปไม่ให้ไม่เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรดทางอาหารทางเครื่องดื่มมากเกินไปเอาพอประมาณพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอก็ให้ให้กินได้ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว หลังจากเที่ยงวันแล้วให้หยุดให้หยุดเสพกรารมัันทะเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิกันแล้วก็ห้ามไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกินรถทางมห์รศพและบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไม่ไปดูละครดูอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายให้แต่งกายร่างกายแบบเรียบง่าย อาบน้ำหลับท่าให้สะอาดหวีผ้าวีผมให้เรียบร้อยก็พอไม่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องสมาังต่างๆมามาปรุงแต่งให้ดูสวยงามข้อความสวยงามความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขแบบการมฉันทะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาทําใจให้สงบแล้วให้ถือศีลข้อ 8, แปดก็คือให้นอนน้อยๆอย่านอนมากเกินไปนอนเท่าที่ร่างกายต้องการ ความต้องการของรา่างกายคือนอนคือละสี่ห้าชั่วโมงก็พอการที่เราจะนอนสี่ห้าชั่วโมงได้เราต้องนอนบนบนเตียงที่มีไม่มีฟูกหนาหนาที่มันสบายเพราะถ้ามันเป็นฟูกหนาหนาที่มันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจมันจะไม่อยากลุกขึ้นมาอยากจะนอนต่อมันก็จะนอนไปอีกหลายชั่วโมงด้วยกันอันนี้คือวิธีแก้กามาฉันทะ เวลาถ้าเรายังไปติดรูปเสียงกลิ่นรสยังอดที่จะดูหนังฟังเพลงไม่ได้อดที่จะไปกินอาหารเย็นไม่ได้อย่างเงี้ยเราต้องมาถือศีลแปดให้ได้กันถ้าเราถือศีลแตดได้เราก็จะห้ามกามัฉันท่าให้เกิดขึ้นในใจได้ใจเราก็จะไม่พวะพะวงกับเรื่องเรื่องการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ห้ามด้วยศีลอย่างเดียวบางทียังอาจจะไม่พอเพราะว่าเวลาเรา เกิดความคิดขึ้นมาเราก็ยังอาจจะเกิดความอยากจะเสพ ร, รูปเสียง ก, กลิ่นรสได้เราก็ต้องอพยายามคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดถึงรูปเสียง ก, กลิ่นรสพอคิดแล้วเดี๋ยวมันอดที่อยากจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไม่ได้ น, น, นั่นเองนั้นนอกจากการถือศีลแปดแล้วเรายังต้องพยายามฝึกสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆ แล้ว อ, อีกอย่างนึงก็คือต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราถือสีแปแล้วอยู่ที่บ้านนี้มันอาจจะลําบากเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ถือสีแปดเหมือนเราเขายังดูหนังฟังเพลงได้เขายังกินยังเดื่นได้ตลอดเวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเขาเดี๋ยวเห็นเขาทําอย่างนี้แล้วใจเราก็จะอดที่จะอยากทําตามเขาไม่ได้ยิ่งต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรส เรียกว่าไปหาที่สงบไปปีกวิเวกที่ปีกวิเวกก็คือตามวัดปฏิบัติต่างๆวัดป่าวัดเขาตามวัดป่าวัดเขานี้จะไม่ like ค่อยมีรูปเสียงขีดรดผลสะพ้าให้เสกกันก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เกิดการมั่ันทักขึ้นมาเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้สบายไม่ต้องมาไม่ไม่ไม่มีความอยากที่จะไปเสกรูปเสียงขีดรดมาคอยขัดขวางนี่คือวิธีแก้ แต่อุปสรรคข้อที่สองก็คือความยินดีในรูปเสียงกลิธธ่นรสผดผลาะต้องถือศีลแปดต้องไปปีกิเวกอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจเผลอไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าห้ามความอยากไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลาสิกขาไปอยู่ไม่ได้เพราะมันทรมานใจ เวลาเกิดความอยากเสียรูปเสียงจิตลดแล้วไม่ได้เสียจึงต้องพยายามรักษาศิ้นแปดพยายามเจริญสติพยายามไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงจิตลดมาคอยยั่วยวนกวนใจเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆอันนี้คือนิวรณ์ข้อที่สองอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาที่ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อทําใจให้สงบ อุปสรรคข้อที่สหรือนิวรณ์ข้อที่สามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือโทสะความโกรธบางทีใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วในอดีตคิดถึงคนที่ทำร้ายเรามันก็อาจจะทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาได้แล้วถ้าเราไม่รู้จักระงับมันความโกรธนี้มันก็จะขัดขวางการที่จะทําใจให้สงบใหเราต้องรู้จักกําจัดความโกรธเวลามันเกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเกิดเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตที่เราไปคิดถึงมันก็ดีหรือเกิดจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วอาจจะไปเจอเหตุการณ์เจอคนนั่นคนนี้เขาอาจจะพูดหรือทาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทำให้เราโกรธขึ้นมามเราก็ต้องพยายามระ ง, งับความโกรธนั้นให้ได้วิธ<ม>ีที่จะระงับความโกรธนี้พระเจ้าสอนว่าให้เราใช้ความเมตตาให้อภัยเอาเวลาโหนตั อย่าไปจองเวรจองกรรมกันอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันเขาทำอะไรมันก็ผ่านไปแล้วเขาจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาเราก็ไม่สนใจไม่ต้องไปกังวลขอให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดอย่าเอามาเอามาฝังใจเรามันจะทำมันจะมาเผาใจเราให้มันปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่าให้อภัยกันคิดเสียว่ามันอาจจะเป็นเรื่องลิ้นกับฟัน คนเราเวลามาอยู่ใกล้ใกล้กันมันก็อาจจะมีการกระทําอะไรที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายหกันได้จะเป็นด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็สุดแท้แต่ <S <S อาจจะเป็นเรื่องสุดวิสัยเขาไม่มีเจตนาหรือถ้าเขามีเจตนาก็ถือว่าเป็นเรื่องเวรกรรมก็แล้วกันแล้วอาจจะเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก่อนพอเขาเจอเราเขาก็จะอดไม่ได้ที่จะกั่นแกล้งเราที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ได้ แต่เราต้องรู้จักระ ง, งับความโกรธถ้าเราอยากจะปฏิบัติจิตภาวนาทำจิตใจให้สงบถ้าเราถ้าเราให้อภัยไม่ได้ระ ง, งับความโกรธไม่ได้เราก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้อันนี้คือปัญหาข้อที่สามที่อาจจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเกิดความไม่ไม่พอใจไม่สบายใจขึ้นมา เราทำให้เราไม่สามารถที่จะนั่งดูลมหายใจหรือนั่งบริกรรมพุโทโธหรือนั่งสวดมนต์ได้เราก็ต้องใช้ความเมตตาเอาเวลาโหนตุจงไม่มีเวรกันเถิะเราอย่าไปมีเวรกับเขาเราให้อภัยเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขา <Yeah. S 2> พอเราให้อภัยเขาได้ใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบแล้วเราก็จะกลับมานั่งสมาธิได้ <Yeah. S 2> อันนี้คืออุปสรรคข้อที่สามคือโทสะ ค, ความโกรธ อุปสรรคข้อที่สี่ก็คือความง่วงเหงาเหานอนสังเกตดูบางทีเรานั่งสมาธินั่งได้ไม่ไม่กี่นาทีก็สับประโคคอพับ<ม>อันนี้ก็เกิดจากส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปนัก<ม>คนที่จะปฏิบัติจิตภาวนานี้ต้องมีการรู้จกักรู้จักการประมาณในการรับประทานอาหาร<ม>คือให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินอย่าไปกินตามความอยาก กินเพื่อเลี้ยงร่างกายเหมือนกินยาร่างกายนี้ต้องการอาหารวันละหนึ่งมื้อก็อยู่ได้แล้วสําหรับนักปฏิบัติไม่จําเป็นที่จะต้องกินมากพระธุดองที่ท่านปฏิบัติกันส่วนใหญ่ท่านจะถือมือเดียวฉันมื้อเดียวกันฉันมือเดียวก็อิ่มฉันให้เต็มที่เลยไม่ห้ามมีท้องเดียวเติมเติมน้ำมันทีเดียวก็เติมให้มันเต็มถังทีเดียวเลยไม่ต้องมาแบ่งเติมทีละทีละหนึ่งในสามวันหนึ่งก็เติมสามสี่รอบ แต่มันหนเดียวให้เต็มมันก็ทําหน้าที่ได้เท่าๆกันนะถ้ากินน้อยแล้วใจร่างกายมันจะเบาแล้วมันจะไม่ง่วงนอนอถ้าเราถ้าเราถือศินแปดนี้โอกาสที่เราจะบรรเทาความง่วงนอนนี้ ก, ก็ก็มีอยู่นะแต่ถ้าถ้าถือศินแปะแล้วเรายังกินสองมื้ออยู่แล้วยังเกิดความง่วงนอนอยู่ก็อาจจะตัดลงเหลือมื้อเดียวถ้ากินมื้อเดียวแล้วยังง่วงอยู่ก็อาจจะแบ่งกินแค่ครึ่งเดียว กินมือเดียวแต่กินเครื่องเดียวก็กินสองจานก็กินแค่จานเดียวแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปแทนพอพอกินเสร็จยังไม่อิ่มก็ดื่มน้ำเข้าไปให้มันอิ่ม <Yeah. S 2> พอมันอิ่มแล้วเดี๋ยวน้ามันพอมันออกจากร่างกายไปมันก็มันก็จะทำให้ร่างกายไม่อุ้ไม่ง่วงนอนได <Yeah. S 2> ้นี่สำหรับผู้ที่ อ, อยากจะกาจัดความง่วงนอนต่างๆก็ <Yeah. S 2> ถึงศีลแปดชันมือเดียวกินมือเดียว yeah. กินน้อยๆหรือถ้ากินน้อยๆยังง่วงอยู่ก็บางทีอาจจะต้องอดวันกินวันก็ได้นักปฏิบัติบางคนเห็นว่าเวลาอดอาหารแล้วมันทำให้มันไม่ง่วงมันจะทำให้มีสติดีขึ้นแต่ทำให้มีความขยันปฏิบัติความเพียรมากขึ้นบางคนก็ก็อดอาหารกันบางทีครั้งหนึ่งก็สมวันบ้างห้าวันบ้างก็มีอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะแก้ความง่วงนอน ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของความง่วงนอนหรือถ้าเราอดอาหารไม่ได้เราก็มีวิธีวิธีเราก็ต้องไปหาที่นั่งสมาธิที่น่ากลัวสถานที่ที่น่ากลัวเช่ น, น, นไปนั่งตามป่าช้าอย่างนี้หรือไปนั่งในในป่าป่าเปลี่ยวที่อาจจะมีสิงสารสาัตว์ต่างๆมาทำลายเราได้ <ừ> ถ้าเราไปหยูดที่อย่างนั้นแล้วความง่วงนอนมันจะไม่มีมันจะตื่นตัว โดยเฉพาะเวลานั่งในป่าช้านี่มันจะกลัวผีความกลัวผีมันจะทําให้เราต้องมีสติคอยระงับความกลั ว, วต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวบางวัด น, นี้ก็มีที่ให้ญาติโยมไปนั่งสมาธิต่อหน้าศพเลยอเอาศพเป็นๆ น, นี่แหละใส่ไว้ในโรงแต่ไม่ได้ปิดฝาแล้วก็ให้ไปเปิดให้ไปนั่งดูศพแล้วก็ไปนั่งข้างหน้าศพคนที่กลัวผีนี่จะไม่มีวันง่นวง น, นอนได้รับประกันได้ จะตื่นตลอดเวลาอันนี้คือมาตรการแก้ความง่วงนอนข้อที่สี่คือลดการรับประทานอาหารลงให้น้อยลงหรือไปอยู่ในสถานที่ที่มันน่ากลัวมันจะทําให้ความง่วงนอนนี้หายไปหมดเลยแล้วข้อที่ห้าก็คือความฟุ้งซ่านใจเราชอบคิดคิดได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเราก็เริ่มคิดแล้ว คิดไปทั้งวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาจนถึงบัตรนี้เขาหยุดคิดกันหรือยังคิดกันอยู่นั่นน่ะคิดแล้วบางทีถึงเวลานอนหลับบางทีก็นอนไม่หลับเสียด้วยซ้ําไปเพราะมันยังคิดฟุ้งซ่านกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้อยู่อันนี้เราจะต้องแก้ด้วยการจเจริญสติบ่อยๆสติเท่านั้นแหะที่จะเป็นตัวที่จะยับยั้งความคิดฟุงแต่งได้วิธีที่จะแก้ ด้วยสติก็คือเราต้องขยันพุทโธพุทโธถ้าเรามีพุทโธอยู่ความคิดมันก็จะเบาลงน้อยลงวิธีที่เราจ ะ, จะเจริญสติก็เอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาพอลืมตาเพิ่ก็ตั้งสติก่อนเลยตั้งพุทโธพุทโธพุทโธไปต้งพุทโธไปเรื่อยๆในใจไม่ต้องออกเสียงแล้วเราไปทํากิจอะไรก็พุทโธไปไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลาจิตที่จะต้องคิดอะไร<ม>พอถึงเวลาต้องคิดเช่นไปทำงานเราก็หยุดพุดโทโธไว้ช่วข่าวก่อนคิดเรื่องงานเรื่องการไป<ม>แล้วถ้าไม่มีอะไรจะคิดเรื่องงานเรื่องการแล้วจิตเริ่มไปคิดเรื่อยเปื่อย<ม>ก็หยุดมานึ่ด้วยพุโทโธพุโทโธเนี่ย ถ้าเรามีสติฝึกสติแบบนี้แล้วเวลาเรามานั่งสมาธิใจจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่เพราะเรามีเรามีพุโทโธคอยคุมความคิดอยู่ได้<ม>แล้วนั่งสมาธิใจก็จะสงบได้สงบได้นาน<ม>แล้วเราจะได้รับผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็คือความสงบความสงบนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราเรียกว่าที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ เพียงแต่ว่าความสุขความสงบที่เราได้จากสมาธินี้มันยังเป็นความสงบชั่วคราวยังไม่เป็นความสุขอย่างถาวรเพราะว่าสมาธินี้ยังไม่ไม่สามารถไปทําลายกิเลสตัณหาตัวที่มาทําลายความสงบของใจได้เพียงแต่กดมันเอาไว้เวลานั่งสมาธินี้สติจะกดความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ทํางานเพราะว่าสติจะหยุดความคิด เมื you, offering, ่อเมื <ativos S 2> ่อไม่มีความคิดความโลภความโกรธความหลงก็จะทํางานไม่ได้แต่พอออกจากสมาธิมาพอไปพอปล่อยให้ใจเริ่มคิดคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ความโลภความโกรธความหลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้วิธีที่จะทําให้ใจเราสงบอย่างถาวรก็ต้องคอยกําจัดความโลภความโกรธความหลงเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วพอโลภยัดได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็มองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือความรู้สึกต่างๆมันล้วนเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่แ ป, ปรวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะบังคับให้มันให้ความสุขกับเราเพลงอย่างเดียวไม่ได้ได้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหมดไปน ได้ของอะไรมาเวลาใหม่ๆได้มาก็ให้ความสุขกับเราพอต่อไปมันเริ่มเสือ่อมมันเริ่มเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็จะหายไปพอความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ความเสียอกเสียใจความอะไรอววรก็จะเข้ามาพยายามใช้ปัญญาสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้ ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปได้เงินมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเงินทองที่ได้มาก็ต้องหมดไปได้ตำแหน่งมาแล้ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปได้สรรเสริญแล้ววันใดวันหนึ่งมันก็จะได้มิทาเข้ามาแทนที่ได้ความสุขจากรูปเสียงกินรส ปันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ได้ขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอเรามองให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังทุกของอังอนัตตาเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการกันเราต้องการแต่ความสุขใจถ้าเราต้องการความสุขใจเราก็อย่าไปอยากได้อะไรความสุขใจรอเราอยู่แล้วคือการการไม่มีความอยากนั่นเองการหยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ใจเราก็จะสงบนิ่ง เหมือนกับเข้าสมาธิไปตอนที่เราเข้าสมาธิเราก็ได้ความสุขจากการเข้าสมาธิเพราะตอนนั้นเราหยุดความอยากไว้ชั่วข่าวพอเราออกจากสมาธิมาความอยากเริ่มทํางานเราก็หยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้พอหยุดความอยากได้ใจก็กลับไปสู่ความสงบเหมือนตอนที่เข้าไปในสมาธิ โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใช้ปัญญาหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะสงบตลอดเวลาให้ความสุขตลอดเวลาอันนี้แหละเรียกว่าพาวนิพานใจที่สงบตลอดเวลาถ้าใจสงบแบบชั่วคราวเราเรียกว่าสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเราเข้าไปนิพานชั่วคราว ไปหยุดความอยากชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากที่เราหยุดด้วยสติมันก็จะเริ่มทํางานใหม่ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปหมดเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งของที่เราสั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้ไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปนะ พอไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลาเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีการมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไป<ม>ที่เรามาเกิดกันอยู่ทุกครั้งตลอดเวลาอยู่นี้ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากยังอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดตรพงจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดตระพงได้ก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไปหาร่างกาย ม, ามา่มาทดแทนเราก็มาเกิดบ่อยๆอย่างนี้ พอมาเกิดแล้วเราก็ต้องเจอความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของการพัดพากจากกันแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดเราก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการพัดพากจากกันเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกย่อมมีกับผู้ที่ไม่เกิดเท่งนั้นและการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ เราจะตัดได้ก็ต้องตัดด้วยสติก่อนหยุดหยุดความอยากด้วยสติก่อนพอหยุดความอยากด้วยสติด้วยสติได้แล้วก็มาหยุดด้วยปัญญาขั้นที่สองพอหยุดด้วยปัญญาความอยากก็จะถูกทำลายหมดสิ้นไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการปฏิบัติกันมาทำจิตใจให้สงบกันเพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากต่างๆและการที่เราจะเข้าสู่ความสงบได้เราต้องรู้จักนิวรทั้งหนี้ แล้วรู้จักวิธีแก้เวลาเกิดนิวรณ์เหล่านี้ข้อที่หนึ่งความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องศึกษาธรรมะให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นถ้ามีการมาฉันทะก็ต้องไปถือศีลแปดไปบวชไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปฝึกไปฝึกสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้าเกิดความโกรธก็ให้แผ่เมตตาให้ให้อภัยผู้ที่ทําให้เราโกรธพอเราให้อภัยเขาละความโกรธก็จะหายไปถ้าเราง่วงเหงาเหานอนก็ลดการกินอาหารให้น้อยลงโดยการถือศีลแปดหรือกินมื้อเดียวหรืออดอาหารไปบ้างก็ได้โอดวันเว้นวันก็ได้เน<ม>ื่อมันจะทําให้ความง่วงนอนนี้หายไปหรือไปปฏิบัติในที่มันน่ากลัวที่เปี่ยวที่น่ากลัวเช่นตางป่าช้าตามป่ า, า, ต, า, ปาตามเขาก็ได้<ม>และข้อสุดท้ายก็คือ ถ้าเราเกิดความฟุ้งซ่านก็เพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิดเราต้องพยายามเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็พูดโธพูดโธไปถ้ายังไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดอะไรอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยจะดีกว่าเพราะเวลาเรานั่งทําสมาธิใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านใจจะได้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของสมาธิได้ต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศีลิสนิจังวุธาปะจายโน ยตาโรธรมาวาทา t ติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบทาถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สนุกที่จะถามที่จะตอบเพราะหลังจากเลิกแล้วมันจะต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำต่อ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่การนรัณาการพาจารย์เ่าค่ะวันนี้มีผู้รับฟัง ทางเ a c e b o o หกร้อยแปดสิบสมท่านทางย t u b e พระอาจารย์สามร้อยห้าสิบเอ็ดท่าน y o u t u ด e อกเตอร์วีชาแนลหกสิบสี่ท่านครับเ้าเจดวิทยุออนไลน์เก้าผู้รับฟังธรรมะนาคุติหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอดท่านเจ้าค่ะมีคำถามว่าอ่านได้เลยมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนาคุติฝากถามมาเจ้าค่ะ กราบเตียนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะกรณีที่คิดโดยไม่ได้แสดงออกทางกายวาจาถือเป็นมโนกรรมที่ต้องรับผลกรรมใหมคะโดยเฉพาะมะโนกรรมที่เป็นอคติส่วเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้แต่พอรู้ตัวก็ควบคุมหยุดด้วยสติค่ะถ้ายังไม่แสดงทางกายทางวาจาก็ยังไม่เกิดกรรมที่เป็นเวรเป็นกรรมหรือเป็นวิบากขึ้นมา ่ถ้าอยู่ในใจมันก็จะสร้างความฟุง้งซ่านสร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นดังนั้นถ้ามีสติก็ควรที่จะยับยั้งความคิดตา่างๆโดยเฉพาะความคิดที่เป็นอกุศลใชิงค่ะคำถามต่อไปจากผู้รับฟังธรรมานากุติ เวลาทำสมาธิแล้วฟังธรรมะไปด้วยสามารถนั่งได้นานเป็นชั่วโมงเวลาทำสมาธิไม่มีเสียงธรรมะนั่งได้ประมาณ3 4 0ถึงนาทีเป็นเพราะอะไรเจ้าคะและควรดำเนินการปฏิบัติแบบใดต่อเจ้าคะเพราะการฟังธรรมมันง่ายกว่าการที่เราจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธหรือ ด, ดูลมหายใจเข้าออกเราเพียงแต่ตั้งใจฟังเราก็มีอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เราสงบได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถนั่งดูลมเองได้หรือพูดโทเองได้นานก็นั่งฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนแต่ต่อไปเราก็ควรที่จะฝึกนั่งด้วยตัวของเราเอง<ม>เพอที่เราจะได้แน่นั่งได้นานได้ได้ดีกว่าที่เราจะมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมยังไม่ทำใจให้เรารวมเป็นสมาธิได้ ถ้าเราอยากจะให้ใจรวมนี้ต้องดูลมหายใจเลือเพ่งอยู่พุโทโธคำเดียวไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นไอ้่ากาะตาลววมขึ้นมาสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาแต่เบื้องต้นถ้ายังทำไม่ได้ก็อาศัยการฟังธทมเป็นเครื่องฝึกสติฝึกสมาธิไปก่อน คำถามจากคุณยิมศิริลักษณ์กราบเรียนถามพระอาจารย์สุชาติค่ะค า, ารวะควรฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิหรือเรียนพระอภิธรรมก่อนดีคะคือทางสายปฏิบัติเรานี้เราไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนพระอภิธรรมเลยให้เราเรียนรู้วิธีการภาวนาการรักษาศีลการทำรุญทำทานก็พอ อันนี้จะไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนรู้มากเกินไปเพราะนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติไปบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วความรู้ต่างๆที่มีในพระอภิธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปเรียนรู้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ด, ดีกว่าอภิธรรมก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปเรียนอภิธรรม พระเจาเรียนการภาวนาการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาพอปัญญาเริ่มเดินแล้วทำต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเองคำถามต่อไปจากคุณทีคัทนากรณีที่เราเจ็บป่วยบ่อยๆก่อนที่จะไปบวชรงผมปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเพราะเขาจะขวางเราหรือเป็นเพราะ มันเป็นอนิจจังเราควรคิดอย่างไรเพื่อให้เราได้ไปบวชปฏิบัติธรรมดังที่ตั้งใจไว้เจ้าค่ะก็ลองสังเกตดูเวลาไปเที่ยวมันเป็นรือเปล่าถ้าเวลาไปเที่ยวมันไม่มันไม่เจ็บไขยได้ป่วยมันจะมาป่วยตอนที่ไปปฏิบัติา็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแต่ถ้ามันเป็นทั้งสองกรณีจะไปเที่ยวก็ป่วยจะไปบวชก็ป่วยต้องไปหาหมออาจจะเป็นเรื่องของร่างกาย คำถามจาก YouTube เจ้าค่ะรบกวนสอบถามครับหากต้องการขายวัตถุมงคลจะทำใจอย่างไรหรือเลือกแนวไหนมาขายโดยไม่ทำให้คนหลงทางครับอยากเน้นให้คนได้วัตถุนี้แล้วไปได้เป็นกำลังใจและทึกถึงบุญบาปเวลาะจะทำอะไรไม่ดีและหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมวิธีที่จะสร้างกำลังใจให้เกิดซื้อให้เขาฟังเทศฟังธรร ม, มดีกว่าอ่านหนังสือธรรมะดีกว่า วัตถุมงคลนี้มันเป็นเรื่องของความหลงอยู่แล้วงั้นอย่าไปอย่าไปเกี่ยวข้องเ้าเรื่องวัตถุมงคลอะไรจะดีที่สุดแต่เราคน<ม>อื่นเขาจะนับถือก็ไม่ไม่ลบหลู ก, กันไม่ห้ามกันแต่ยังเคารพยังนับถือวัตถุมงคลก็ทำไป<ม>แต่จะให้เกิดศรัทธาเกิดปัญญาขึ้นมานี่ต้องอาศัยการศึกษาการปฏิบัติ คำถามจากเฟ e บ o ๊ k จากคุณโรงชัยเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับได้ยินว่าเวลาทำงานสามารถทรงอยู่ในชั้นได้จริงหรือไม่ครับถ้ามีแล้วก็ส่งได้ถ้ามไม่มีก็ส่งไม่ได้คำถามจากเฟ e บ o ๊ k คุณอุศนา เวลาเราอธิษฐานถึงพระาอารหันต์พระาอารหันต์องค์นั้นจะรับรู้ไหมคะกราบสาธุเจ้าค่ะต้องไปถามท่านเองว้ <c oughs> ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไมเชิน ถ, ถามได้นะเข้ามาถามเองก็ได้เรืออนี้เรื่อะเจ้าค่ะจากคุณชวนชมเหล่าหอม ขอกราบเรียนถามพระาจารพ ม, มโลกมีกลางคืนใหม่เจ้าขามีมีอะไรเนาะกลางคืนพมลโลกมีกลางคืนใหม่เจ้าคขาไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ยพ ม, มโลกพมลโลกก็มีแต่ความสงบความว่างคุณ วงระวีโดนกดบ่อยๆวางใจอย่างไรครับให้เป็นกลางควรยังไงนะเขาถามว่าเหมือนโดนกดบ่อยๆวางใจอย่างไรครับให้เป็นกลางเหมือนน่าจะเป็นกดดันอะไรอย่างเงี้ย<อ>จ้าค่ะก็พูดโทรพูดโธรไแล้วใจก็จะเป็นกลางวางเฉยได้จ้าค่ะ s o n e There's some vocabulary when you're teaching in Thai, and I don't quite know what it means. I think it's pronounced r o t s a t salat sen." How do you pronounce how? it. Can you spell mm. it out? Mm. No, sorry. Say it again. Okay, it's a uh, close to, like r o t s a t salat sen." Lab, y s a l a e n s o t h a m e a a These are the four worldly possessions. Lab mm. means money, wealth. Yod mean, uh, mm. means status. Salasen means p r a i s e s and suka h means happiness that you get from from essential pleasures, essential objects. These are the things that we are created for, which can bring us uh, stress because they are not. They are not reliable. They are not permanent. They keep changing. You can get it today, and you can lose it tomorrow. So the Buddha said, "Don't go after these things if you don't want to have any dukkha." Not <gul> love, just a lesson. So, t r a t e when you get this thing. You you happy when you get it, but when you lose it, you become sad. Mm -hmm. So you don't you don't want to become sad, then don't, don't go after this thing. Go after the happiness from from practicing meditation, better. But you can always have it once you know how to get it. Then you, you can always have it. t o u t Forward. มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานาคุติเจ้าค่ะผู้เสียชีวิตจะไปเกิดใหม่ทันทีหรือดวงวิญญาณจะกลับมาบ้านจริงหรือไม่เจ้าคะ่ะก็อาจจะกลับมาช่วงแรกๆก็ได้เพราะยังมีความห่วงมีความผูกพันอยู่แต่พอกลับมาแล้วไม่มีใครเข้าต้อนรับเราเดี๋ยเราก็ไปเขามีแต่กลัวเราเพอเรามาเข้าประตูเรียกก็ไปทนไปเทอ ก็มีบ้างบางครั้งก็มาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านก็มีเกิดเป็นเป็นสุนัขในบ้านก็มีเช่นเศรษฐีคนหนึ่งรักสมบัติตัวเองมากหวงสมบัติแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่ให้ให้สมบัติมาทลายไปฝังดินหมดไม่บอกลูกๆว่าสมบัติอยู่ที่ไหนพอตายไปก็มาเกิดเป็นสุนัขในในบ้านที่ตั้งท้องพอดี <c oughs> พอพระพุทธเจ้าผ่านมาเห็นหลังจากที่สุนัขตัวนั้นคลอดออกมาแล้ว พ่อจ่าจเห็นชนะเท่านี้ก็บอกนี่เป็นพ่อของเธอนเนะเลี้ยมันให้ดีนะอย่าไปให้นไปไหนเดี๋ยวมันจะพาเราไปขุดสมบัติให้เดี๋ยก็ไปจริงๆ อ, อันนี้คือความรักความห่วงใยของสิ่งที่เรารักเราห่วงมันเลยทําให้ใจเรายังไม่ไปรับผลบุญผลบาปแต่พอเรากลับมาแล้วเราไม่สามารถที่จะครอบครองสมบัติที่เราได้แล้วพอตายจากมาไปก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไ ค่ะมีคําถามจากทาง Facebook จากคุณธีรพงศ์เจ้า่ะมีคําถามสามคำถา ม, 3, ถา ม, ถามคําถามที่หนึ่งระหว่างเดินจงกรมผมจะรู้ได้อย่างไรว่าผมกําลังรู้สึกตัวหรือกําลังเพ่งครับก็ต้องเพ่งทั้งทั้งรู้ทั้งทั้งรู้สึกตัวทั้งทั้งต้อ ง, งเพ่งด้วย2 อ, อย่างรู้ว่าเรากําลังเพ่งอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องรู้ด้วยแล้วต้องเพ่งด้วย ทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสองอย่างเช่ค่ะคําคถามที่สองเคยได้ฟังพระอาจารย์หลายๆท่านบอกว่านั่งสมาธิต้องมีโครบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆด้วยแสดงว่าผมไม่สามารถนั่งสมาธิที่บ้านได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับก็อลองพิสูจนดูสิดดเสขา้าท่าพิสูจนดูนะว่าเราสามารถนั่งเองได้ปะเวลาพระเจ้านั่งสมาธิมีอาจารย์มานั่งข้างๆด้วยหรือเปล่าไม่มีหรอก แต่ต้องมีอาจารย์สอนวิธีนั่งว่านั่งอย่างไรต้องใช้พุทโธแล้วใช้ลมหายใจพอรู้แล้วเราก็ไปนั่งคนเดียวพอนั่งหลายคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาบรบกวนกันเดี๋ยวคนนั้นขยับเดี๋ยวคนนั้นไอขึ้นมานมันก็จะมาทําให้เราเสียสมาธิได้ในเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิจริงๆควรจะนั่งคนเดียวจะดีที่สุดแต่ก่อนจะนั่งก็ต้องไปเรียนรู้วิธีก่อนจากอาจารย์ว่าจะนั่งสมาธิต้องทําอย่างไร อย่างวันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าจะต้องกําจัดนิวรอยอย่างไรถ้ามีนิวรอยเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีอาจารย์สอนก็จะไม่รู้วิธีกำจัดนิวรอยก็จะไม่สามารถนั่งให้เกิดผลขึ้นมาได้คํถาถามข้อที่สามถ้าผมอยากมีเมตตาสูงผมต้องแผ่เมตตามากๆผมเข้าใจถูกไหมครับหรือต้องทําอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับก็มีซันตะค้อที่นี่ซันตะครอเนี่ยแผ่เมตตามีขนมเอามาแจก เด็กมีตุ๊กตาอามาแจากมีเงินเามาแจากคนนั่น่ะยิ่งแจกมากเท่าไหร่เนี่ยเป็นพระเวสสันดรเนีเ่ยพระเวสสันดรก็คือสันตคศในี้นีคำถามต่อไปขออนุญาตสอบถามครับเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเกิดความตั้งอยู่ปัจจุบันและสักพัก ก็เคิมไปกับอาการความคิดแล้วก็ดึงกลับมาหาลมปัจจุบันใหม่แล้วสักพักก็เคิมไปอีกแบบนี้จะปล่อยให้รู้เคิมไปกับความคิดหรือดึงกลับมาปัจจุบันที่ลมหายใจครับ อ, อ๋อเถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องดึงกลับมาอย่าปล่อยให้คิดเพะคิดแล้วเดี๋ยวมันมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ถ้ามีสติคอย ห, หยุดความคิดเดี๋ยวจิตก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ คำถามจากคุณทีคัฒนาคำถามถ้าจะนำช็อกโกเลตไปถวายพระอาจารย์ต้องมีนมหรือต้องไม่มีนมผสมเลยเจ้าค่ะเป็นแบบที่ไม่มีนมมีแต่น้ำตาลกับโกโก้สองอย่างขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมก่อนที่เราจะปิดประชนมีแล้อเชิญเข้ามาลงไมโครโฟนหยหน พระอาจารย์ค่ะมีสองคำถามค่ะคำถามแรกคือว่าทำไมเวลานั่งสมาธิพุทโธพุทโธสงบช้ากว่าเวลาที่นั่งสมาธิแล้วนึกถึงพระอาจารย์สุชาติสมาธิจะเข้าได้เร็วกว่าปกติถ้าเป็นอย่างนี้สามารถนึกถึงพระอาจารย์สุชาติเป็นสมาธิใช้วิธีนี้ได้ไหมคะได้ถ้ามันเกิดผลดีเรใช้ได้ค่ะ คําคถามที่สองค่ะเวลาที่นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกสงบอะค่ะก็จะอยากออกจากสมาธิมาเพื่อที่จะมาเสพกามต่ออะค่ะเหมือนมันมีแรงในการเสพกามมากขึ้น อ, อย่างเงี้ยค่ะเราต้องสร้างสติตขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าเราอยากจะอยู่ในสมาธิต่อไป เพรากงกำลังของสติของเราหมดมันก็เลยเกิดความอยากคือสติกับความอยากมันจะสู้กันไงถ้าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะดันไปฝ่ายไหนมีกำลังน้อยกว่ามันจะถูกบนดันถ้าสติเรามากกว่ามันก็จะดันให้เข้าข้างในพอสติเราอ่อกกำลังลงความอยากมันก็จะดันให้ออกข้างนอกถ้ายังไม่อยากออกเราก็ต้องใช้ท้างสติขึน้นมาครับขอบคุณค่ะาาอาจารย์กลับขอบคุณค่ะ เป็นคุกชกกันความอยากกับกับสติฝายมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามเพิ่มเข้ามาเจ้าค่ะจากคุณตักกี้กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเคยได้ยินว่าการเจริญสติภาวนาแบบผิดวิธีลงเข้าไปนิมิตจิตที่ปรุงแต่งเล่นกับแสงสีทำให้เป็นป้าได้จริงหรือไม่เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะมัน คนที่เป็นบ้าเพราะว่ามันไม่มีสติมันไม่รู้ว่ากาลังทําอะไรมีความหลงครอบงมจิตใจมันไม่ได้เป็นเพราะว่าไปฝึกสมาธิหรอกมันเป็นบ้าเป็นเป็นบ้าได้ทุกเวลามันไม่เกี่ยวกับการฝึกสมาธิแต่การฝึกสมาธิอาจจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้มันเป็นบ้ามากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นบ้านี้ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติสอนมากเรานั่งเพื่ออะไรแล้วเวลาเราเกิดเห็นอะไรควรจะทําอะไรอย่างไรกับมัน ถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเราจะไม่เป็นบ้าเจ้าค่ะหมดแล้วเลยเจ้าค่ะโอเคส่ญนยญการปฏิบัติไม่มีใครเป็นบ้าหรอกคนเป็นบ้าคือคนมันบ้าอยู่แล้วพอมานั่งแล้วมือเห็นอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็เหมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเหมาว่าเป็นนิพพานเหมาว่าเป็นพรมเป็นเทวดาขึ้นมาอันนั้นหละก็เป็นบ้า เพราะไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏนั้นมันเป็นเพียงความปรุงแต่งของใจเท่านั้นเองเจ้าค่ะมีคำถามเพิ่มเข้ามาเจ้าค่ะกระดพระอาจารย์ค่ะวันนี้เวลานั่งสมาธิแต่รู้สึกร่างกายหนักๆเหมือนโดนกดพุทโธพุทโธก็ไม่ได้จนต้องออกจากสมาธิและลองนั่งใหม่เป็นแบบเดิมเลยออกจากสมาธิมาสวดมนต์แทนค่ะพระอาจารย์มีคาแนะนาหรือไม่คะ ก็สติเราไม่มีสติเรามีน้อยในวันนั้นเราต้องฝึกสติเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยคําำถามจากคุณป้าพรขอถามคำถามครับได้พยายามเจริญสติตั้งแต่ตื่นอยู่กับพุทโธและรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาเกิดความคิดความนึกก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจสู้กันมาได้สักพักใหญ่ๆประมาณหนึ่งปี ตอนที่สองคำถามต่อจากเมื่อกี้นะคะวันนึงอันไหนี่นนวันนึงดูใจปกติก็รู้ว่ามันไปคิดไปปรุงแต่งก็ดึงกลับมาพุทโธอยู่ๆก็มันเหมือนรู้ด้วยตัวเองว่าความคิดความปรุงทั้งหมดมันคือตัวทุกข์ไม่ใช่ของเราคราวนี้เหมือนมันเชื่อมเข้าไปว่ามันเป็นสมุ ท, ทยัยสิ่งที่นึกคิดเป็นไตรักแล้วก็รู้สึกเย็นสงบอินแต่แบบเบาๆไม่ใช่ซาบซ่า ตัวทั่วตัวแต่รู้สึกดีอยากถามว่าถูกทางหรือยังครับใช่เราเห็นด้วยปัญญาไย่งว่าความคิดปุงแจงก็คือสมุทยัยความอยากถ้าเราหยุดความอยากความคิดได้ใจก็จะสงบเย็นสบายใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าแต่หลังจากนั้นก็ถอนออกจิตกลับลงไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เหมือนเริ่มปฏิบัติใหม่แต่คราวนี้เหมือนมันตั้งใจจิตปฏิบัติได้ง่ายขึ้นครับ โ <Okay>. yeah. อเคเจ้าค่ะคําถา ม, มนันนนะ้อ okay. เขออีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะว่านั่งนั่งสมาธิเราติดสงบอะค่ะมันจะงุดหงิดง่ายมั น, นต้องแก้ไขยังไงเจ้าค่ะชอบความสงบเจ้าค่ะแล้วมันงุนหงิดเวลานไม่สงบเจ้าค่ะแบบว่าเหมือนคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะก็เราต้องเข้าใจว่าเรายังอยู่ในโลกที่เกี่ยวข้องกับคนอยู่เวลานอยู่กับคนมันก็ต้องไม่สงบเป็นธรรมชาเจ้าค่ะ ก็อย่าไปอยากให้มันสงบพอมันอยากสงบแล้วไม่สงบในตอนนั้นมันก็โกรธเหงิดขึ้นเน้นตอนนั้นเราต้องใช้ปัญญาบอกว่าเราก็ยอมรับกับสภาพไปมันเป็นอนิจจังอนัตตาเราควบคุมไม่ได้ถ้าอยากให้สงบแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ได้ในตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาพที่วุ่นวายเราก็อย่าไปอยากสงบก็รับรู้กับความวุ่นวายไปมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะไม่โกรธเหงิหด ถ้าอยากจะสงบก็ต้องไปหาที่สงบทาทาใจให้สงบต่อเจ้าค่ะโอเคนะก็คิดว่าพอสมควรจากเวลาขอให้ท่านจรงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ <สา S 1>